ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธรชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงจะต้องพูดเรื่องใต้ร่มพระโพธิญาณในตอนที่สันที่ได้กล่าวมาในตอนต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับตั้งอยู่ภายใต้ต้นอัษฐ์ศรึกซึ่งต่อมาเรียกว่าต้นโพนั้น ในทรงพิจารณาปั จ, จยการหรือปฏิจจสมุปบาท ต, ต้องฝ่ายเกิดและข่ายดับในยามทั้งสามแห่งรัตรีเมื่อพิจารณาจบครั้งหนึ่งคือฝ่ายเกิดจบข่ายดับจบก็จะเป็นพระอุทานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเ ร, เรียกว่าเป็นพุทธุทานในปั จ, จยการหรือปฏิจจสมุปบาทที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น เริ่มต้นด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปนามารูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสะและปัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาในสองท่อนนี้ตามหลักที่ท่านแสดงนั้นท่อนแรกเกิดวิชากับสังขาร เราเรียกว่าเป็นอดีตเหตุคือเหตุที่เป็นอดีตซึ่งคนมีอยู่ภายในจิตสันดานเมื่อเรากล่าวโดยสรุปอวิชาก็คือกิเลสสังขารก็คือบุญบาปตลอดถึงรูปประชานรูปประชา น, นก็เป็นพวกสังขารทั้งหมดถ้าพวกนี้ยังมีอยู่ก็ชื่อว่าเป็นเหตุในอดีต ท, ที่จะสร้าง ผลขึ้นในปัจจุบันคือก่อให้เกิดเป็นปฏิสนธิบิญญาณขึ้นมาเพราะจากช่วงของวิญญาณนามรูปอยายตนะผัสสะเวทนา5อย่างจะเรียกว่าเป็นปัจจุบันผลก็อเอาเฉพาะสมมุติว่าเราจะพูดชาติปัจจุบันเนี่ยเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเกิดนั้นก็คือกิเลสกิกรรมเพราะเรายังมีงมกิเลสยังมีกรรม กรรมังจำแนกให้เราบังเกิดก็คือถือปฏิสนธิในคันของมารดาเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเกิดมาแล้วมันก็กลายเป็นนามรูปนามรูปผ่านการเวลาไปก็มีอายตนะสมบูรณ์คลอดออกมาจากคันของมารดาแล้วก็ตาเห็นรูปเป็นรูปมันก็เกิดสัมผัสขึ้นมาคือการกระทบระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเมื่อกระทบมันก็มีเวญนา ดังนั้นช่วงนี้5ข้อที่จริงก็คือชีวิตชีวิตของคนของสัตว์ที่เกิดในกําเนิดทั้งสที่เราพูดว่ามีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ในบทธรรมวัตรในบทก ร, รวดน้ำํำอย่างมนุษย์เรานั้นก็มีขันครบทั้งหสัตว์เดรัจฉานก็มีขันครบทั้งห้าแม้แต่สัตว์นรกเทวดาก็มีครบทั้งหแต่ว่าสัตว์บางประเภท เกิดรูปพรมก็มีขัน4ี่รูปพรมนั้นก็เกิดด้วยผลกรรมคือสังขารเหมือนกันแต่สังขารประเภทที่สที่บอกมาในวันรู้สึกจวันแรกนะฮะว่าได้แก่อเนนชาพิสังขารสังขารได้แก่รูปประชานก็ให้ท่านเกิดเป็นขันสคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ก็ไม่มีรูปประขันบางพวกก็เป็นขันหนึ่งได้แก่ท่านที่ เข้าสมาบัติแล้วก็ตายในสมาบัติจะเข้าสมาบัติตายก็กลายเป็นพรมลูกฟักมีเฉพาะรูปประคันแต่ท่านเหล่านี้ก็ยังชื่อว่าเป็นชาติอยู่นั่นเองคือเป็นความเกิดอยู่นั่นเองเมื่อเมื่อเกิดขึ้นมามันก็เป็นนามเป็นรูปเป็นอายฐนะเป็นผัสสะและเป็นเวทนาทีนี้พอเวทนาที่เรา เอ่อมาถึงมาถึงเบทนานี่ก็ถือว่าปัจจุบันผลนะฮะคือวิน ญ, ญาณนามรูปอายตนาผัสสะเวทนาหอย่างเป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือชีวิตแต่และชีวิตเเมื่อเราได้ชีวิตมาแล้วก็มาถึงเราก็พอเกิดเบทนาเข้าแต่อาศัยเชื้อกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจเราก็เกิดตั้งกระบวนการใหม่ขึ้นมาคือเริ่มตั้หาขึ้นมาใหม่อีกที่จึงตั้หาเก่านะฮะแต่มารับอารมณ์ใหม่ก็กลายเป็นตั้หาใหม่ขึ้นมาด้วย ถ้าหากว่าเราไม่มีเชื้อของตัณหาใหมา่มาคือไม่มีเชื้อในการมาตัณหาเระว่ตัณหาวิพาตัณหาอยู่ภายในใจแม้จะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งหรือว่าตึกนึกถึงอารมณ์ต่างๆก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดตัณหาขึ้นมาก็ น, นี้ขอให้ท่านดูตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันคือเราดูอดีตใกล้กับ อ, ด, อดีตอดีตใกล้ๆ ก, กับปัจจุบันใกล้ๆนะ เช่นเราไม่มีเราไม่มีกิเลสหรือเราไม่มีตัณหาในในอะไรในขนมอะไรทักอย่างหนึ่งก็ได้ในอดีตมาก่อนแล้วมาถึงเราก็เจอขนมนั้นคือคือตาก็เห็นขนมนั้นก็ได้สัมผัสก็มีเวทนารู้ว่าเป็นเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพราะเราไม่ไม่ได้มีตัณหาคือไม่ได้มีความอยากที่ฝังอยู่ภายในจิตในเรื่องขนมนั้น เห็นการนั้นเลยไม่เกิดตัณหาไม่ได้เกิดตัณหาขึ้นมาดังนั้นก็มีเยอะที่ในในชีวิตของเราที่เราไม่เกิดตัณหาคนระับเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อตัณหาในสายนั้นเราไม่มีแต่ถ้าเราสร้างเหตุขึ้นในปัจจุบันคือไปชิมไปชิ ม, ชมพออร่อยอร่อยมันก็เกิดตัณหาต่อมาวันหลังเจอทีนี้เกิดตัณหาคนระับแต่เป็นตัณหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนเชื่อนั้นแน่นอนต้องมาจากอดีตเชื่ออดีตเรามีอยู่ก่อนแล้ว อางที่เคยยกอุปมาให้ฟังว่านั่นเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ก็ปัญหาว่าจะหยอดลงในอะไรในที่บางอย่างก็ไม่เกิดหนอนในที่บางอย่างก็เกิดหนอนในกรณีที่เกิดนอนแสดงว่าไอ้สิ่งที่แมลงวันหยอดไข่ลงไปนั้นก็มีเชื้อหน้าวเชื้อนอนอยู่แต่ว่าบางอย่างแกไม่มีเชื้อเดิมถึงแม้จะหยอดครับเท่าไหร่ก็ไม่มีตัวหนอนเกิดขึ้น จิต ใ, ใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้เราจะประสบเวทนาอย่างไงก็ตามคือสัมผัสมีอาญตนาครบอะไรเนี่ยแต่ว่าเชื่อตันหาไม่มีตันหามันก็ไม่เกิดแต่ถ้ามีตันหาก็เกิดเรื่อยไปบางครั้งอาศัยเชื้อที่เป็นอดีตคือฝังอยู่ในจิตสันดาน เ, เราจะพบว่าอย่างเด็กๆบางคนที่แกมีความโกรธมากมีความหลงมากมีความโลภมากาก็แสดงออกมาให้เห็นตั้งแต่เด็กๆแล้ว บางอย่างก็เป็นเรื่องที่ได้สัมผัสขึ้นมาใหม่เช่นตัวอย่างที่ยกมาแล้วตัณหากับอุปาทานท่านจึงเรียกว่าเป็นปัจจุบันเหตุนะฮะอวิชากับสังขารเป็นอดีตเหตุสองอย่างนี้ยังมีอยู่ตราบใดก็สร้างผลขึ้นคือทำให้เราเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาที่เรียกว่าวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะเวทนาแล้วในขณะชีวิตปัจจุบันเนี่ย ถ้าเรายัางละตันหาไม่ได้หรือละอวิชชาไม่ได้ละกิเลสไม่ได้หรือพวง่ายมันก็เกิดตันหาขึ้นซึ่งเป็นการสร้างเหตุขึ้นในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งในภพชาติหนึ่งพอสร้างเหตุขึ้นมาแล้วก็ในในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเกิดละอวิชชาได้หรือละกิเลสได้ อ, อ, อาจตนาเอหนามรูปอาจัตนาผัสสะเวทนาของท่านยังมีอยู่พร้อมนะฮะแต่จะไม่เกิดตันหา ก็พระอาหารหันต์ทั้งหลายจะไม่มีตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายก็ทั้งก็อยู่ด้ว ย, วยปัจจุบันเหมือนกันแต่ท่านละไอตัวเชื้อใหญ่ใหญ่ออกได้คือละกิเลสได้ชีวิตจากหลังหลังจากนั้นอย่างพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้ไปก็ไม่มีตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าก็มีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ไม่มีตัณหาเพราะว่าตัณหาละได้ขาดไปสําหรับสามั ญ, ญชนทั่วไปมันก็สร้างเหตุใหม่ขึ้นมาก็คือตัณหาในอารมณ์ทั้งหลาย ตันหานั้นตามปกติแล้วก็จะเป็นตันหาในอารมณ์6นะครคือจะจําแนกแยกออกไปพิสดารยังไงเป็นตันหาร้อก็ตามก็คือตันหาในอารมณ์หกนั่นเองแยกออกไปนั้นอาจจะแยกไปตามประเภทตันหา3ตามการ3ก็นับไปคูณกันไปคูณกันมาก็ได้ตันหาร้อเมื่อกล่าวโดยสรุปเป็นลักษณะทางอารมณ์ที่สายไปประลบอดีตบ้างประรบปัจจุบันบ้างบ้างเพราะเหตุกรรมมาตันหาบ้างเพราะว่าตันหาบ้างวิภวะตันหาบ้าง สลับไปสลับมากันก็ได้เป็นตัณหา108แต่ที่จริงตัวของตัณหานั้นคืออารมณ์ที่จะเกิดตัณหาอารมณ์ที่จะเกิดตัณหาจะมีอยู่6อารมณ์เท่านั้นเองคือสิ่งที่เป็นรูปจะรูปหยาบรูปรละเอียดรูปเลวรูปประณีรูปไกลรูปใกล้รูปอดีตรูปอนาคตก็ตามก็สรุปเป็นรูปแล้วก็เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เป็นอารมณ์ อารมณ์ที่เราเก็บฝังไว้ภายในใจพวกนี้มันก็กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดตัณหาหรือไม่เกิดตัณหาก็ได้นะสําหรับคนที่ไม่เชื้อตันไม่มีเชื้อตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาสำหรับคนที่มีเชื้อก็เกิดตัณหาไม่ใช่ว่าจะเกิดแก่คนทุกๆคนไปสําคัญว่าเขามีเชื้อในเรื่องเหล่านี้อยู่หรือไม่เช่นตัวอย่างที่ยกมาแล้วตัณหาก็ปรากฏตัวออกมาในรูปของการมาตัณหาก็คือความ ทะเยอทะยานอยากของใจที่ดิ้นไปในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบางอย่างก็เพิ่มขึ้นนะครบางอย่างก็ลดลงขึ้นกับอะไรเขาเรียกว่าอัดสาธะคือยินดีมากหรือยินดีน้อยเช่นเรารับประทานอาหารสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดยินดีมากมันก็รับประทานเรื่อยไปแล้ววันหลังก็อยากรับประทานอีกแต่ความอยากมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าบางอย่างไปแตะข้าวก็รู้สึกยินดีน้อยแต่ความอยากมันก็น้อย ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นตัณหามากหรือตัณหาน้อยคือไม่ใช่ว่าทุกตัวจะกระตุ้นหมดเลยกระตุ้นมากก็ได้น้อยก็ได้หรือไม่กระตุ้นเลยก็ได้มานาจจะพลิกกลับมาเป็นรูปของวิภวัตต์ตัณหาซิก็ได้แทนที่จะเป็นการมตัณหาส่วนภวะวัตหานั้นอย่างที่เคยกล่าวมาในวันก่อนนั้นโดยว่าโดยพื้นฐานเนี่ยความต้องการของคนมันมีความขัดแย้งกันอยู่ คือต้องการสภาวะอย่างหนึ่งที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเช่นว่าต้องการสุขโดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์อะไรเนี่ยที่จริงในความต้องการเหลนะ่านั้นก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวบุคคลเองเพราะแท้ที่จริงถ้าหากว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เรายังรู้สึกว่าเป็นสุขอยู่เนี่ยเมื่อนานไปนานไปมันก็ต้องเป็นทุกข์เจ็ดว่านอนเป็นสุขพอนอนมากข้ามันก็เป็นทุกข์ นั้นสภาวะในลักษณะนั้นแท้ที่จริงจึงไม่มีหรอกแต่เพราะจิตที่ประกอบด้วยภาวะทิดชิคือความเห็นว่ามีก็เห็นว่ามีมันก็ปักใจขึ้นมาก็อยากสถานะต่างๆต่างๆที่ในชีวิตประจําวันเราก็เห็นกันอยู่เช่นสานะตําแหน่งต่างๆที่ก็เป็นแล้วมีความเสื่อมไปบางทีก็ออกจากทำเนียบไปเข้าคุกบางทีก็ออกจากทำเนียบตายเลยกลางถนนเลยอะไรต่ออะไรเนี่ย เ, เราก็เห็นกันอยู่นะฮะ ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดดับได้ในเวลารวดเร็วแต่ภาวะทิฏฐิซึ่งก่อให้เกิดภาวะตันหานั้นมีกำลังแรงฝังรากอย่างลึกลงไปภายในจิตใจทำให้บุคคลมีความเข้าใจว่ามีสภาวะอย่างนั้นอยู่ก็คอยคว้าสภาวะเหล่านั้นอยู่เรื่อยไปจนถึงกับการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดในในพบในชาติที่มีอายุยืนยืนดูการยาวนานนะฮะ ในลักษณะเหล่านี้จนถึงกษัตริาสนาเชนเองแล้วไม่ใช่เชนเอาแต่ยิ่งพูดเราก็ออกมาแล้วนะออกมาเยอะเรือ่อยเชนเองก็ด้วยแรงดันของภาวะตันหาก็ทําให้อธิบายนิร v า n a หรือนิพพานของเชนมีพบเป็นที่อยู่ซึ่งในเมืองไทยเราอธิบายนิพพานในลักษณะพบเป็นเมืองแก้วที่แสดงให้เห็นถึงว่าคืออยางนิพพานก็อย่างนิพพานอยากเกิดก็อยากเกิด อยากเพราะงั้นอยากทั้งสองอย่างเลยอธิบายนิพพานให้เป็นสภาวะนินิรันนิทิรันมันก็แน่เดียวกับที่พวกคริสต์อยู่กับพระเจ้านิทิรันแต่ก็เราดีหน่อยนะไม่ต้องเป็นลูกน้องใครของของคนอื่นก็ต้องเป็นลูกน้องเขาของเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นสเสวยสุขอยู่ชั่วนินิรันซึ่งกด็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าจะดียังไงนะเพราะไม่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์อะไรแต่นี้ก็คือเรื่องของภวะตัณหาปราปรถน า, าสถานะคือความเป็นต่างๆ ถ้าจะถามว่าอารมณ์ที่จะเกิดอตัตหาคืออะไรก็คือ6อย่างนี้แหละมันไม่เกินไปจากหอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสผัทธะและก็ธรรมารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือวิภาวะตัณหาเป็นการมองโลกในแง่ที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องการคือเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะมีความขาดศูนย์หรือหรือเกิดความต้องการจะให้ขาดศูนย์ก็เกิดวิภาวะตัณหาในอารมณ์ทั้งหล่านั้น ถึงลักษณะาการสังเกตการกำหนดตัณหานั้นก็ดูที่จิตบางอย่างมันก็ไม่มีอาการก็ตัณหาเพราะคนเราถ้าดิ้นอยู่ตลอดระยะเวลามันก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลักษณะของมันบ้า โ, โ, โพโนภวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องจากจุดนั้น เ, เช่นเราได้อยากอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากได้นน คืออยากได้สิ่งนั้นและอยากได้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นแล้วก็เปลี่ยนอยากได้สิ่งนั้นไปอยากได้สิ่งอื่นเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดจนก่อให้เกิดเป็นพบเป็นชาติขึ้นในที่สุดแล้วก็จิตจะกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์เดียวกันด้วยหลายอารมณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ก็ตามนี้ก็เป็นลักษณะจิตที่ประกอบ ด, ด้วยตนาประเป็นตนาก็เป็นอุปาทาน ลักษณะของอุปาทานก็คือความยึดติดนะครับท่านแสดงลักษณะของอุปาทานเอาไว้ว่าเพราะอาการของจิตที่ยึดติดยึดติดในสิ่งนั้นๆตราบใดที่ยังมีความยึดมีความติดอยู่ก็แสดงว่าขณะนั้นจิตก็มีอุปาทานแต่เป็นความเคลื่อนไหวทางจิตท่านลองสังเกตว่ามันต่อเนื่องกันหมดเลยคือตั้งแต่วิญญาณนามรูปอาญตน า, า, าัสสะเวทนามาย เพราะ เ, เรามีญ า, าติเราก็เห็นรูกฟังเสียงดงกลิ่นริมรส ถ, ถูกต้องพลตระพระนั้นก็เป็นการกระทบที่เราเรียกว่าผัสพะพผลัดสะบางก็เกิดกําหนดอารมณ์ว่าพอใจหรือไม่พอใจพอกำหนดอารมณ์ถ้าสมมุติว่าพอใจก็เกิดสุขเวทนาไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนาในกรณีที่เป็นสุขเวทนาเราก็เกิดภาวะตัณหาวิภวะตัณหาในอารมณ์หล่อนไม่ใช่เกิดอาการมตริหาภาวะตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นคืออยากได้อยากเป็นอยากเป็นในอารมณ์เหล่านั้น ก็จะมีการข่ยคว้าสแสวงหาดินนรนกันไปเรื่อยจนถึงก็ได้ก็ได้มันก็กลายเป็นอุปท า, านคือยึดว่าเป็นของเราเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่ากําหนดอารมณ์ว่าไม่ไม่พอใจนะไม่ไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนาพอทุกขเวทนานเกิดวิภวตฐาในอารมณ์เหล่านั้นก็สรุปบ้างก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ทีโรปุตตเจ้าท ร, ทรงแสดงว่าอภิชาและโทมนัสในสติปัฏฐาน อารมณ์ของคนเราจะมีมากที่สุดก็คือชอบกับชังถ้าชอบมันก็เกิดตันหาสายหนึ่งถ้าไม่ชอบมันเกิดตันหาสายหนึ่งก็สรุปว่าก็เกิดด้วยการทั้งสองฝ่าย แ, แม้บางครั้งบางคราวที่เราดูคล้ายๆกับว่าจะไม่มีตันหาแต่แท้จริงมันก็มีตันหาอยู่อย่างเช่นว่าพระเราบางองค์ก็ไม่ยอมรับตําแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์อะไรเลย นะก็อยู่สบายๆไปทุกสิทธ์ูกหาก็สรรเสริญยกย่อ ง, องอาจารย์เราไม่ยินดียินร้ายอะไรนะไม่ยอมรับงานอะไรเลยคือแสดงว่าท่านสละท่านสันโดษแท้จริงไม่ใช่กิเลสเต็มหัวเหมือนกันแต่มันเป็นวิภวะตัณหาเด็กเป็นวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแสดงถึงความไม่รับผิดชอบเพราะเพราะเพราะถ้าถ้าท่านเหล่านี้ไม่มีตัณหาแล้วก็แสดงว่าพระอารหันต์มีตัณหาเพราะพระอารหันต์ท่านเอาเรื่องมากเลย เอาเรื่องเอางานเอาการคณะสงฆ์มากเลยไม่ว่าภาษารีบุตรพระโมคคัานพระหมาระหม า, หมากัญนะพระมหากัตปะอะไรแต่ไหนท่านเอาเรื่องของเรามากคือเรื่องเหล่านี้ไม่ไม่ไม่ใช่ชต้องทําด้วยตัณหาแต่ว่าทําด้วยเหตุผลด้วยปัญญาด้วยความดีด้วยความกรุณาไม่จําเป็นจะต้องทําด้วยตัณหาก็ได้แต่ว่าบางครั้งบางคราวคนเราก็เกิดความสับสนคือไปเข้าใจว่า อาการที่ท่านเป็นเช่นนั้นเพราะท่านไม่มีตัณหาแต่แท้ที่จริงมันไม่มีการมาตัณหาอาจจะไม่มีการมาตัณหาฮะแต่ก็อาจจะอาจจะเป็นการมาตัณหาในคือคืออยากนอนเฉยๆนะฮะมันก็เป็นการมาตัณหาอยากอยู่เฉยๆก็เป็นการมาตัณหาแต่ในขณะเดียวกันการไรเสด็จมันก็เป็นวิภวะตัณหาเพราะงั้นก็หลบไปหลบมามันก็เป็นตัณหาได้กันจับใดที่อยากไม่หมดตัณหาไม่มีทางรอดบวงกอนตัณหาไปได้ฮะเพราะว่าบวงตัณหามันมีตั้งร้8จะไปจับอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีนี้อะไรก็ตามที่เราตัณหาแล้วเราได้มามันจะมีลักษณะเป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นท่านแสดงถึงรูปความเคลื่อนไหวท่านอุปามาเมืองก็งูนะมันก็งูตัวหนึ่งแต่ที่จริงคนก็ได้งูก็ได้ เ, เวลาเวลาแกนอนอยู่พอถูกความหิวเสียดแทงนั้นแสดงว่าจิตถูกปรุงด้วยตัณหาแกก็ขยับเขยื่อนตัวแล้วในที่สุดมันก็สายสีตะคือถ้าตัณหาไม่จัดแกก็ยังนอนอยู่นั้นแต่พอตัณหาจัดแกก็เริ่มสาย อาการสายเนี่ยเขาเรียกวิสัตติกาคือสายไปในอารมณ์ทั้งหลายสายอยู่เรื่อยตั้งลองสังเกตนะบางทีเราก็ตัณหาบังคับให้สายก็ยืนหันหน้าหันหลังเข้าวห้างสรรพสินค้ายืนซื้อของหนึ่งชั่วโมงได้ชิ้นเดียวเองคือคื อ, คอมันสายมากเกินไปกําหนดทิศทางอะไรไม่ได้อนั่นก็ดีอันนั่นก็ดี อ, นนดอันนี้ก็ดีแต่วัตต่างมันน้อยเลยก็ก็ต่หาอยูง่งเ้ยนะครบางที ส, สตต่างมากก็ขอบเสพปรุงปรรังเลยไม่รู้จะซื้อมันทาอะไรนี่ก็เพราะว่าอะไรตัณหาบังคับใจให้สาย แล้วแกแกแก็สายไปเรื่อยเป็นอาการกัะตันหานะฮะสายมันก็งูมันสายสีสันนี่ก็ดูนั่นนั่นนัพอเจอปับ๊บนะฮะไปเจอปั๊บมันก็ตะครุบตะครุปก็กลายเป็นอุปท า, านอุปท า, านก็คือยึดนะมือมือก็ใจเราสายแตเข้าวไปห้างสรรพสินค้าสายไปสายมาพอเกิดกําหนดเอาเนี้ยพอตกลงซื้อขายกันแล้วเรายึดเป็นของเราเลย อีตอนที่เราสายอยู่เพื่อนมาซื้อเราไม่บ้าอะไรฮะเพราะเพราะมันมันยังเป็นสายอยู่เฉยๆยังเป็นสายเฉยๆแต่พอเป็นอุปาทานน่ยไม่ได้พอเพื่อนห่อเราตกลงแล้วเป็นของเราแล้วนี่ไม่ได้แล้วใครมายุ่งไม่ได้แล้ตอนนี้ยึดแข็งเลยเหมือนงูที่มันจับไปเลยตอนนี้สู้กันแล้วนะฮะสภาพจิตก็มีลักษณะเช่นเช่นเดียวกันเพราะนั่นอุปาทานท่านบอกว่ามันก็คือสภาพจิตที่ยึดนะฮะที่ยึดยึดในสิ่งนั้นๆลักษณะการยึดมันก็ยึดอยู่สามแนวนะฮะ ยึดสมแนวที่พระพุทธเจ้าใช้ ช, ช, ชุดเดียวตอนนี้เองเอตังมะมะเอโสมะสมิเอโสมียตาเอตังมะมะก็นั้นเป็นของเราเองของเราก็ยึดด้วยอะไรยึดด้วยตัณหาตัณหาเป็นตัวให้ยึดวันใดที่ท่านบอกว่าไม่ใช่ของเราท่านวางทันทีเลยแนะม้ตะครุบแล้วก็เหมือนกันจะไม่มีอุปาทานทันทีจนสมมุติว่าไปไอ้งูมันไปตบไปไอ ตะครุบเอาคือคือไปฉกเอาเอาถูกเอาหินหรือว่าเนื้อเนี่ยพอยึดว่าไม่ใช่มันก็ข่ายเอาทันทีจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าว่ายึดถือว่าของเราของเราพอเราปล่อยเราบอกอันนี้ไม่ใช่ของเราเราจะวางใจก็จะวางจะไม่มีอุปาทานใะนเรื่องนั้นปราะงั้เราก็ไม่ได้ยึดทุกอย่างนะฮะท่านจะเห็นว่าเราไม่ได้ยึดทุกอย่างเรายึดเฉพาะสิ่งที่เราไปกําหนดหมายว่าของเราเท่านั้นเองแล้วของเรามันก็มีการข่อยคว้า ในลักษณะอย่างหนึ่งที่บาลีท่านยกอุปมาเหมือนนกชนิดหนึ่งนะฮะนกนั้นชื่อว่าไมฮ ก, กะมันจะบินไปในที่ต่า ง, างๆมันเกาะต้นไม้ต้นไหนจะร้องว่าไมหั่งไมหั่งึงุกเปลาบอกของเราของเราของเราเอาคนทั้งหลายเป็นนกไมฮ ก, กะทุกๆคนนะฮะมันก็เป็นนกไมฮกะอาตมาก็เหมือนกันแหละทุกคนอนะยังคือยังยังยังถ้าเป็นบุถุชนอยู่ก็เป็นนกไมฮ ก, กะทางนั้นนะฮะไปเกาะที่ไหนก็ของเราของเราของเราของเราแล้วก็บินไปกาะของเราของเราอย่างนั้นนะฮะ แล้วพอตายแล้วก็ไม่มีของเราเอาก็จริงไม่มีของเราแล้วคนอื่นก็เกาะไอ้สิ่งที่คนคนซึ่งเคยร้องแล้วก็ตายไปว่าของเราก็เกาะต่อไปว่าของเราของเราของเราก็เหมือนกับดินที่เราอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าไอ้บ้านเรานะฮะที่บ้านเราเนี่ยที่จริงก็ตายกันมาเยอะเลยตรงนั้นนะก็ตายกันมาเยอะแล้วคนที่ไปยึดว่าของเราของเราก็ตายกันมาแล้วก็คนอื่นก็มายึดต่อไปมันก็แนวแนวของนกไมฮะกะก็มีลักษณะอย่างนั้น แกเกาะแกจับอะไรแกก็ยึดถือว่าของแกเสร็จแล้วแกก็บินไปที่อื่นแกก็ร้องอย่างนั้นไอ้ต้นที่แกเคยยึดถือว่าของแกไอสัตว์อื่นก็มากินมาขึ้นมาทำลายอะไรต อ, อะไรไปเพราะอะไรเพราะเป็นความยึดถือแต่เนื่องจากมันมีอวิชชาคือความหลงเป็นเชื้อใหญ่อยู่นะฮะเป็นการยึดถือด้วยความหลงซึ่งในชั้นของสามัญโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ถึงกับสอน ให้ละความหลงและละความโกรธความโลภอะไรแต่ก็ให้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงคือบางอย่างก็ยึดบางอย่างก็ปล่อยวางเสบ้างเพื่อให้เกิดผลที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะเช่นว่าการทํางานทําการก็ยึดแต่เมื่อเมื่อได้มามากแล้วก็พอจะเสียสละมันก็เป็นการปล่อยการวางเป็นจาขะเป็นทานไปนะก็เป็นบุญส่วนที่เรียกว่าอํานวยให้เป็นเป็นความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า อายัดถืออีกแนวหนึ่งนั้นยึดถือด้วยอํานาจมานะมานะก็คือความเป็นต่างๆสถานะต่างๆท่านจะเห็นว่าคนเราก็พร้อมที่จะยึดถือในแนวนี้เพราะเราก็มีดีกันอยู่ทุกคนนะฮะต่างคนต่างก็ถือว่ามีดีที่จะให้เกิดสําคัญม่นหมายว่าเรานั้งสูงกว่าคนอื่นหรือใหญ่กว่าคนอื่นหรือสําคัญกว่าคนอื่นอาจจะเอาจุดใดจุดหนึ่งของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ เอาเชิดชูตัวเองยกย่องตัวเองขึ้นมาก็เกิดยึดถือเขาเรียกว่ามะมังการที่โบราณเขามาพูดอหังการมังการนะฮะอังการมัมัง ก, การก็คือเป็นเราเป็นของเรานั่นเองก็ตันหามานะ เ, เป็นเราเป็นของเราอีกแนวหนึ่งก็คือยึดถืออำนาจของทิฐิทิฐิแปลว่าความเห็นที่ผิดนะฮะความเห็นผิดมันก็มีอยู่หลายชั้นชั้นหนึ่งชั้นศีลธรรมจัญญาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าชั้นที่ประณีตเราจะพบว่าต้องเริ่มจาก สังโยชนึกออกนะสังโยชนะทิศกายทิติิก่อน ท, ทิศกายยัติทิก่อนเพราะมันต้องปล่อยวางในด้านนี้ลงไปได้คือทสศกายทิติิความเห็นเป็นเหตุถือถือตัวถือตนอ อ, ออกจากจิตใจได้แนวการยึดถือด้วยอำนาจ ท, ทิฏฐินั้นมันมีความละเมียดละไมลึกซึ้งลงไปบางทีเราวิเคราะห์ไม่ออกนะวิเคราะห์ไม่ออกทรงจําแนกออกเป็นประเภทเนี้ถึง ไอหยาบหยามันก็มีหลายอย่างอย่างที่เคยยกมาในพระสูตรบางเรื่องนะฮะโดยเฉพาะหยาบที่แรงๆก็มีหยาบอยู่อยู่หข้อด้วยกันเกี่ยวกับสังสารวัตรสองข้อคือถือว่าชีวิตทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้ไม่แปรผันกับถือว่าชีวิตทั้งหลายนั้นจะต้องขาดศูนย์ไปนี่ก็แนวของสังสารวัตรคือสรุปว่าฝ่ายหนึ่งถือว่าตายแล้วศูนย์ไปเลยฝ่ายหนึ่งถือว่าตายแล้ว เ, เกิดเป็นยังไงก็เกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรม ก็ถือว่ากรรมไม่เป็นการกระทำํำผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้มาจากเหตุแต่เป็นเรื่องบังเอิญบ้างเรื่องการโดนบันดาลของฟ้าดินบ้างของพระ ผ, ผู้เป็นเจ้าบ้างของเทพาอารักบ้างของดวงบ้างก็แล้วแต่จะคิดเอานะฮะอีกแนวหนึ่งก็ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นต้นอันนี้เป็นทิฏฐิที่อันตรายส่วนทิฏฐิบางอย่างมันก็ไม่ถึงอันตรายแรงอะไรเท่าไหร่อย่างที่ทรงจําแนกแสดงเอาไว้ คือไม่ถึงกับไปห้ามสวรรค์อะไรเขาคือเขาสามารถที่จะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์บังเกิดเป็นพรหมอะไรอะไรก็ได้แต่ถ้าไปนิพพานยังไม่ได้เท่านั้นเองคือมีข้อแม้บางอย่างนะฮะบางอย่างมันห้ามหมดเลยทางสวรรค์ทางนิพพานอย่างหอย่างนี้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานโดยเฉพาะ3อย่างที่เกี่ยวกับกรรมห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเด็ดขาดแล้วก็เป็นทิฏฐิที่แรงมากออส่วนนอกนั้นบางอย่างก็ก็ไม่ค่อยแรงอะไรเท่าไหร่ แต่ว่าคนจะปักใจสําคัญมั่นหมายอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ยึดติดในเรื่องเหล่านั้นลนักษณะเหล่านี้เราจะพบว่าแม้แต่การประพฤติปฏิบัติของเราบางทีมันก็เต็มไปได้วยทิฐินะฮะหรือยึดถืออย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่แล้วก็ปฏิเสธอย่างอื่นก็ไปหมดต้องฉันเท่านั้นเก่งคนอื่นไม่เก่งสิ่งที่ฉันเท่านั้นปฏิบัติยังถูกต้องคนอื่นไม่ถูกต้องคือสรุปว่าพวกดีแค่คนเดียว ไม่ยอมรับนับถือความดีของบุคคลอื่นนี้ก็เป็นอาการของทิฏฐิประการหนึ่งเพราะงั้นในทิฏฐินี่มันกระจายตัวของมันเยอะยะไปหมดเลยแต่ในส่วนที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปเนี่ยบางทีเราดู ด, ดูตัวเราไม่ออกนะดูตัวเราไม่ออกว่าเราเรามีความคิดอะไรอยู่ในเรื่องเหล่านี้ยึดถือออกไปจําแนกออกไปเป็น20ชนิดนะฮะมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสัก5้าชุดแยกสัก4ี่ชุดนะฮะสมมติว่ารูปเนี่ย เราอาจจะเข้าใจว่ารูปเนี่ยเป็นเป็นตัวตนหรือว่ามีตัวตนอยู่ในรูปหรือว่ามีรูปรูปเป็นตนหรือตนเป็นรูปนะะยึดถืออย่างนี้ก่อนว่ารูปนั้นเป็นตนคือหมายความมารูปเนี่ยเป็นของเราหรือแม้งก็ถือว่าตนนั้นเป็นรูปหรือว่าถือว่ารูปนั้นมีอยู่ในตนหรือว่าตนมีอยู่ในรูปอลักษณะนี้มันละเมิดละไมเหลือเกินนะแต่เราสับสนเราอยู่ตรงไหนแน่เราก็ดูไม่ค่อยออก มันจะยึดถือสแนวพอถึงเวทนามันก็เหมือนกันฮะเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีเวทในเวทนาก็เป็นความยึดถือในสัญญาก็สี่ในสังขารก็สีในปิยังก็สี่สรุปว่าเป็นความยึดถือในสี่ในยี่สิบแนวได้กันเป็นการปักใจลงไปแล้วก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะฮะเชื่อมั่นอย่างนั้นว่ามีความเป็นอย่างนั้นซึ่งในกรณีนี้เราจะพบว่า ท่านที่บําเพ็ญเพียรทางจิตมาท่านแยกออกระหว่างตนระหว่างระหว่างจิตกับกายได้ท่านกายประสบทุกเวทนาท่านก็แยกจิตออกไปได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เป็นเรื่องของกายคือสักแต่ว่าเจ็บสักแต่ว่าปวดไม่ไปเสวยเวทนาร่วมกับสิ่งที่เกิดกับกายเรียกว่าพรากิตจากกายหรือแยกจิตจากอารมณ์อะไรแต่ละเนี้ยนี่ก็เป็นการถอนถอนทิฐิออกไปได้อย่างอ่อนๆแต่ก็ถอนไม่ได้ทั้งหมดหรอก ถ้าหากว่าถอนได้เด็ดขาดจริงคือ ก, ก็คือจะไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายทีนี้พอเป็นอุปาทานขึ้นมามันก็กระจายตัวเองฮะลักษณะของอุปาทานจะกระจายตัวเองออกไปเป็นอุปาทานทั้งสี่คือจะยึดถือในสี่แนวด้วยกันการมุปาทานยึดถือด้วยอำนาจความใคร่ความพอใจความยินดีในอารมณ์6นั่นแหละก็ไม่อื่นไป ส่วนจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าประเอียดเร็วประณีตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สรุปว่าเป็นลักษณะของกามุปาทานคือถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่ความยินดีอาจจะนึกถึงทรัพย์สมบัติที่หายไปอาจจะนึกถึงญาติพี่น้องที่ตายไปหรืออาจจะปรารถนาให้ได้ลูกที่ดีๆได้สมบัติมากๆได้สีสูงๆขึ้นอะไรเนี่ยมันมันมันก็หมั่นทั้งนั้นแหละ อ, อนมาตาเผาเดียวกันทั้งนั้นแต่สุดแล้วว่าจะกระจายไปยังไง กระจายไปอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้หยาบก็ได้ละเอียกก็ได้เลวก็ได้ประนีก็ได้ไกลก็ได้ใกล้ก็ได้หรือข้ามภพข้ามชาติไปก็ได้มันก็ยังเป็นการมุปาทานอยู่นั่นเด็กเช่นอาจจะฟังวิมานวัตถุเห็นเทพธิดาอยู่สบายดีก็อยากจะเป็นเทพธิดาค่ะเขานะไอ้ในชั้นบุญกุศลไม่แปลกแต่ถ้าชั้นของการละกิเลสแล้วก็ถือว่าเป็นอุปาทานยังเป็นอุปาทานอยู่เป็นความยึดติดที่มันประณีตขึ้น อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ากิเลสเนี่ยถ้ามันอยู่จุดหนึ่งซึ่งไม่เป็นอันตรายมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรระดับโลกิยธรรมนะฮะระดับโลกกิยธรรมแต่ระดับโลกุตตรธรรมแล้วก็มีปัญหาทั้งหมดในชั้นต่อไปก็ยึดถือด้วยอนาจของทิฏฐินะกามุปาทานทิฏฐุปาทา น, ทปปาทานคือยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งอาจจะปักใจฝังใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะยังยกตัวอย่างนะฮะปัญหาบางอย่างที่ในกรณีที่าศาสนาบางาศาสนาเช่นาศาสนาพราหมณ์ซึ่งถือว่าพรมเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งนะฮะถือว่าพรมเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งนั้นแท้ที่จริงก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องในจุดหนึ่งไม่ใช่เป็นความรู้ผิดอะไรละฮะแต่มันมันมันถูกที่ไม่สมบูรณ์ จึงไม่ได้ปฏิเสธสวรรค์เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ปฏิเสธสวรรค์ไม่ได้ปฏิเสธพรหมโลกแต่ปฏิเสธนิพพานนั้นนั่นเองเพราะยังมีทิฏฐิอยู่ยังมีอุปาทานอยู่คือท่านเหล่านี้ส่วนมากท่านจะระลึกชาติได้นะฮะลึกชาติได้แต่จะระลึกและไปตันอย่างที่เคยเล่าเรื่องพุทธชัยมงคลข้อแปดท่านประกาศพรหมที่ท่านระลึกและไปตันอยู่ที่ชาติที่27แล้วมองตลอดจากชาติที่27่สถึงชาติปัจจุบันเนี่ยก็เห็นเป็นพรหมทุกที แล้วก็มองไปต่อไปนั้นไม่เห็นอีกแล้วก็น้ำหนึ่งมาจากพรหมชาติที่27เนะเรามา2ี25ก็มาเรื่อยก็ถือว่าสรัรรพสิ่งนั้นมาจากพรหมแล้วพอดีท่านได้พวกทึ่งและลึกชาติได้เหมือนกัน20่สิบกว่าองค์ลึกได้27ชาติเหมือนกันก็สรุปรวมแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมาจากพรหมโดยอาศัยข้อมูลจากตัวเองด้วยและจากครอข้อมูลจากเพื่อนอีก27คนด้วยก็ลงสันนิษฐานว่ามาจากนั้นเพราะงั้นไอ้นี่แนวความคิดที่เรื่องว่าสรรพสิ่งมาจากพระเจ้าจากอะไรอะไรเนี่ย คือเป็นความรู้ถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ไม่รู้ล่ะความรู้ถึงจุดหนึ่งแต่ยังมีอภิชาขวางกั้นอยู่ท่านก็เข้าใจท่านเห็นเฉพาะตรงนั้นมันสว่างเฉพาะตรงนั้นแหะท่านก็ตัดยอดมาจากตรงนั้นเลยพอมองมาตลอดสายก็เห็นว่าเป็นพรหมตลอดเพราะเป็นเป็นพรหมตลอดก็ถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนคือเกิดมาจากพรหมและจะกลับไปสู่พรหมอีกต่อไปก็ตายเป็นการบัญญัติขึ้นมา บางครั้งเป็นญาณที่มีความจํากัดไม่ใช่เป็นถึงกามิจฉาทิฏฐิอะไรแรงๆนะฮะเป็นญาณที่จํากัดเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญุตญาณก็มองทะลุได้หมดพระเจ้าก็เห็นความสับสนเพราะบางครั้งคนอาจจะเกิดเป็นพราหมณ์ได้ต่อกัน500ชาติเลยนะถึง500ชาติจะไม่เกิดเป็นอื่นเลยคือเกิดเป็นพราหม์ได้เกิดเป็นกษัตริย์ได้ต่อเนื่องกันมาเลยเพราะเป็นกษัตริย์ชาติหนึ่งก็ทําบุญกุศลไว้เรื่อยทําบุญกุศลไม่เรื่อยสถานะท่านก็ไม่ได้เปลี่ยน เมื่อไม่ได้เปลี่ยนสมมติว่าท่านผู้นี้เกิดระลึกชาติได้สักสี่หชาติหนึ่งและท่านก็เป็นกรรษัตริย์ทั้งหมดเลยก็บัญญัติว่าเที่ยงได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นั้นในแง่ของความรู้ที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ยังผิดแล้วก็ยึดมั่นโดยอำนาจของที่ถูกปาทานอยู่ตลอดถึงความถือรันในความคิดความเห็นบางอย่างก็อยู่ในกลุ่มของที่ถูกปาทานเหมือนกันอะการต่อไปก็คือศีลับพัตุปาทาน จะถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆที่เคยประพฤติปฏิบัติมาด้วยความเชื่อมั่นในอาจารย์ของตัวเองไวาต้องอย่างอาจารย์เราว่าเท่านั้นจึงจะถูกต้องอาจารย์คนอื่นไม่ถูกต้องอะไรต่ออะไรล่ะเนี่ยฮะซึ่งเรามีปัญหาในสังคมไทยปัจจุบันนี่เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยนะเรามองดูบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าฐานะลดลงไปคือคนไปเชิดชูอาจารย์ตัวเองสูงกว่าพระพุทธเจ้าไป เวลาไปถึงไปพบกับอาจารย์ก็แทนที่จะไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธรูปปึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาแทนพระพุทธเจ้าก็ไปไหว้เฉพาะอาจารย์งานทั้งงานก็พูดแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าเลยจะอ้างอิงอะไรก็แทนที่จะอ้างพระพุทธเจ้ากลับอ้างอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อาจารย์โน้นว่ามาอย่างนี้ซึ่งในแง่ของศรัทธาเราจะเห็นว่าเราไม่ได้วิเคราะห์จิตเราเองถ้าเราวิเคราะห์จิตสแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ชักเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอาจารย์ชักอยู่สูงกว่าพระพุทธเจ้าไปแล้ว นี่ก็คือเป็นปัญหาเป็นเกิดมาจากศีลับปัตตุปาทานคือถือมั่นในหลักข้อประพฤติปฏิบัติที่ตนประพฤติปฏิบัติจนถึงยึดมั่นในคำบาลีพระพุทธเจ้าใช้คําหนึ่งว่าสัจจังอภินิเวสะคืออย่างนี้เท่านั้นแหะจริง อ, งอย่างอื่นไม่จริงต้องยังต้องสัมมาอรหังเท่านั้นน่ยแต่ที่จริงสัมมาอรหังในพระใจบิดกไม่มนะีมีแต่อรหังสัมมามีแต่อรหังสัมมาสมุโตสัมมาอ ร, รหังไม่ไม่มี แต่นี้ไม่ไม่ใช่แปลกนะฮะเป็นตัวอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสงบเท่านั้นแต่ถ้าไปยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่แล้วก็ผิดเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วข้อปฏิบัติทั้งหลายนั้นเป็นเพียงอุบายวิธีที่ให้เกิดความรู้ความสงบขึ้นมาเท่านั้นพระเจ้าก็ทรงหลากหลายวิธีโดยอันนี้กพิจยาเยอะแยะไปหมดเลยก็ขึ้นอยู่กับอุปวิสัยปัจจัยของคนนะใครจะเดินไปทางไหนก็เดินไปไม่จะมีจุดบรรจบกันเอง ตลอดถึงการยึดติดไอ้พวกศีรัตบประมตูปาปทานเนี่ยมันจะเป็นนีรไปเรื่อยนะฮะแม้แต่ขึ้นถึงรูปฌปานอย่างที่เคยเล่าฟังมาท่านอุทกดาบสนี่ถือว่าสูงสุดสมัยก่อนพุทธกาลอุทกดาบสถนี่สูงสุดอาจารย์พระพุทธเจ้านะฮะอาจารย์ตอนที่ไปศึกษาอยู่แต่ท่านก็ติดอยู่ตรงนั้นนะะแล้วก็เป็นศีลับปตูปาทานระดับหนึ่งเหมือนกันอุปาทานจึงจึงไปเอาลิปเหมือนกันนะฮะมันเป็นอาการของโมหะพวกศีรับปรตูปาทานที่ตุปาทานนั้นก็เป็นอาการของโมหะ แล้วก็อั ต, อตวาทุปาทานยึดถือวาทะว่าตนในหยาบหยาบก็คือให้ความสําคัญแก่ตนเองเนะชิดชูตนเองยกจ้องตนเองตลอดถึงพวกของตนแล้วก็ในที่สุดก็ถือว่าความมีตนนะเป็นสภาวะที่แท้เป็นสภาวะที่ยืนโรงแล้วก็เรื่อยเจื้อยหายไปจนถึงนั้นนะฮะนิพพานเมืองแก้วนั่นน่ยนิพพานเมืองแก้วก็มีตัวตนอยู่ในนิพพานเหล่านั้นเป็นสภาวะที่ยืนโรงอยู่ในสิ่งนั้นๆ นี่ก็กลายเป็นอุปท า, านพอตันหาอุปท า, านนะฮะพอตันหาพออุปท า, านกระจายตัวเองออกไปเช่นนี้แล้วมันก็จะออกมาในรูปของภพอุปท า, านเนี่ยฮะจะกระจายออกไปเป็นภพคือสถานที่หรือที่อุบัติบังเกิดของบุคคลที่ยังมีตันหายังมีอุปท า, านอยู่ภพก็ทรงจาแนกแสดงไววเป็นสามภพ นะก็สามภพเท่านั้นอย่างที่บอกมาในวันก่อนว่าภพสามภพแต่ภูมิสี่ภูมินะฮะภพสามภพภูมิสี่ภูมิจะต้องเป็นไปในภพทั้งสามภพใดภพหนึ่งถ้ายังมีตานหายังไม่อุปาทานอยู่แต่ว่าภูมินั้นภูมิที่4ี่คือโลกุตรภูมินั้นไม่ได้เกี่ยวกับภพบคือจะพ้นจากภพแต่ก็เป็นภูมิเป็นชั้นของจิ ต, ตในส่วนของกาลมาภพคือภพที่ยังท่องเที่ยว อย่างเพลิดเพลินกำหนัดยินดีอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายก็มีอบายสี่มนุษย์เติ่งสวรรค์หกก็รวมเป็นสิบเอ็ดแล้วก็รูปประพบก็มีรูปประพรมสิบหกชั้นอรูปประพบก็มีอรู ป, ปรพรมสิบหกชั้นนี่ก็คือในภพทั้งหลายที่เป็นแรงดันของตันหากับอุปาทานซึ่งท่านจะเห็นว่าพอมาถึงภพมาก็เป็นอนาคตผลเอ่อ เราเราก็ต่อกัน3ามมันก็ต่อกันอย่างเงี้ยต่อกันเป็นวงจรอย่างเงี้ยอวิชากับสังขารเป็นอดีตเหตุเมื่ อ, อดีเหตุดังมีอยู่ก็ก่อให้เกิดผลในชีวิตปัจจุบันทัสมมดว่าชาตินี้เป็นชาติปัจจุบันนะฮะสมมุติอย่างนี้มันจะเกิดเป็นวิญญาณนามรูปอจิตราภัสสะเวทนานี่เป็นชีวิตแต่และชีวิตหนึ่งในชีวิตนั้นคนเห็นรูปด้วยตาได้เออเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิน้นถูกต้องเย็นรอน้อนอ่อนแข็งด้วยกายแล มันก็กลายเป็นเวทนาเวทนาก็เกิดเป็นตัณหาเกิดเป็นตัณหาก็เกิดอุปาทานก็เป็นการเขาเรียกว่าอาวิชไม่ Sched ใช่ตัณหากับอุปาทานานั้นเป็นปัจจุบั น, นเหตุปัจจุบั น, นเหตุววนะฮะอวิชากับสังขารเป็นอดีตเหตุวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเป็นปัจจุบันผลคือผลในชาติปัจจุบันเอาเอาเอาช่วงยวาวๆนะฮะช่วงยาวๆว่าผลในชาติปัจจุบัน พอถึงตัณหากับอุปาทานก็เป็นปัจจุบันเหตุคือในชาติปัจจุบันเราสร้างเหตุขึ้นมาอีกสร้างเหตุเพิ่มเติมจากเหตุที่เรามีอยู่แล้วกรรมเราก็มีอยู่แล้วกิเลสเราก็มีอยู่แล้วพอเรามีตัณหาอุปาทานเราก็สร้างเหตุขึ้นมาอีกคือไปเพิ่มทั้งกิเลส ท, ทั้งกรรมขึ้นในในชาติปัจจุบันแต่ขึ้นอยู่กับเราเพิ่มอะไรท่านทั้งหลายจะพบว่าพวกเหล่านี้ในชั้นของโลกียธรรม ในชั้นของโลกิยธรรมแกอาจจะสร้างกุศลก็ได้อย่างเช่นตัณหาในภพทั้งหลายเนี่ยมันก็สร้างเป็นกุศลขึ้นมาเรื่อยๆตัณหาในสวรรค์ตัณหาในภพมโลกตัณหาในรูปฌานตัณหาในรูปฌานเนี่ยลักษณะของตัณหาจึงจึงเหมือนกับแพรเหมือนกับแพรที่เราอาศัยขําฝากอย่างที่พระาณนลในกล่าวกับภิกษุณีรูปหนึ่งว่าตัณหานิสายตัณหาปหาตบะบุคคลอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยตัณหาเพื่อรละตัณหาเหมือนกับเราเรียนหนังสือ นะอยากจะเอ็นซานข้าวมหาวิทยาลัยอยากเป็นนักศึกษาปีที่1ปึ่เรียนปีที่1ก็อยากเป็นปีที่2ก็ต้องทิ้งปีที่1นึ่งพออยาก พ, พอเรียนปีที่2ก็อยากปีที่3ก็ทิ้งปีที่สองก็ไปเรื่อยมันก้าวหน้าไปเรื่อยนะเพราะฉะั้นระดับโลกิยธรรมจึงจึงอาศัยอยู่อาศัยแรงดันของตันหาอยู่เพราะตันหานั้นก็มีลักษณะคล้ายๆจรั่วอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังแต่ก็มีอุปท า, านอยู่ อุปทานมันจะจางลงไปตามลักษณะจางของตันหาถ้าตันหาจางอุปทานก็จางตันหาประนีตอุปทานก็ประนีตเพราะตันหาในอารมณ์ใดอุปทานก็จะยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นอาการต่อเนื่องกันก็อย่างว่าคนอยากที่จะรับประทานอาหารที่อร่อยจิตก็จะยึดในอาหารถิ่นั้น ถึงมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับหรืออยากได้อวัตถุต่างๆที่มันประนีตขึ้นไปเนี่ยอุปทานมันก็จะประณีตตามขึ้นไปด้วยเพราะั้นเมื่อตันหาประณีตอุปาทานประณีตพบมันก็ประณีตตามไปประณีตตามไปเพราะเป็นอาการต่อเนื่องกันถ้าตันหายาบอุปาทานก็หยาบนะพฤติกรรมทั้งหลายมันก็เป็นอกุศลมากกว่ากุศลพบมันก็หยาบก็กลายเป็นอบายเป็นทุกติเป็นมินิบาตเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอะไรเป็นจัตเจริญฉานก็ไปนะฮะเพราะอะไรเพราะตันหาจัด ตระหนจัดอุปทานจัดอุปทานจัดพบหยาบพบหยาบชาติก็หยาบมันก็หยาบต่อกันไปเป็นแถวก็ขึ้นอยู่กับนี่เงื่อนไขตรงนี้ตรงนั้นก็เหมือนกันตรงหัวแรกถ้าหากรก็วิชาจางนะฮะวิชาจางก็แสดงวิชาจางแสดงวิชาเพิ่มเมื่อวิชาเพิ่มขึ้นกุศลก็จะมากกว่าอกุศลอนามรูปก็ประณีตนามาลูปก็ประณีตก็หมายความว่าเกิดในพบที่ประณีตขึ้นไปส่วนส่วนอย่างอื่นก็จะประณีตตามไปนะฮะ เมื่อนามารูปประณีตอายตนะก็ประนีตอายตนาเป็นทิพหายไปเลยถ้าถ้าถ้าเกิดสูงขึ้นไปนะฮะเป็นทิพผัสสะก็ประนีตเวทนาก็ประณีตตามนะตัณหาก็ประณีตตามไปอีกพวกนี้จึง เ, เราจะพบว่าอย่างยกตัวอย่างพระ ก, กาพรมที่ที่ ท, ที่ที่พูดในพุทธชัยมงคลคถาเนี่ยเพราะมันมั น, ม, นมันเริ่มมาจากจุดอดีตเหตุที่ประณีตอวิชชาจางะฮะวิชชาเพิ่มก็ทําให้สังขารคือบุญบาป เป็นรูปของเป็นรูปประชานก็ได้นามรูปที่เป็นพรหมอาญตระหนัก็เป็นพรหมสัมผัสก็เป็นพรหมหายไปหมดเลยแล้วท่านก็เกิดอัศธาคือความยินดีในในในความเป็นรูปประพรหมท่านก็เจริญฌานกับท่านเรื่อยท่านก็เกิดเป็นพรหมกับท่านเรื่อยตายก็เกิดเป็นพรหมตายก็เกิดเป็นพรหมตายเกิดเป็นพรหมต่อกันไปเป็นแถวไปเลยมันในนี้เป็นเป็นเป็ขบวนการประณิจแต่มันยังเป็นสังสาระยังเป็นการเวียนว่ายตายเกิดจูนะฮะ ที่จริงก็น่าดูเหมือนกันนะก็อยู่นานอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถึงเทพบุตรชุดหนึ่งที่พระโมคลานะไปพบนะแล้วมากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงบุญกุศลก็คนหนึ่งแต่ละคนก็ทำไม่ได้มากมายไรเทา่พระพุทธเจ้าเราบอกว่าเราก็เคยพบเหมือนกันสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แล้วเราลองย้อนดูสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงมานามสุชาตะเราย้อนกลับเข้าไปลองนับดูนะนับนับนับย้อนกลับตั้งแต่พระองค์ย้อนขึ้นไปข้างบนนะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบหกเลยนะองค์ที่สิบหคือนับจากพระองค์ไปเป็นองค์ที่สิบหกเพราแสดงว่าแหมมันก็อยู่นานจังกนะันก็น่าจะสงสัยว่าเที่ยงนะคือน่าจะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะคนเราแม้แต่ว่าเป็นเป็น เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแล้วนะฮะเหมือนก็มากอดเข้าใจว่าแกเที่ยงไวลาเนี้ยนับคะแนนยังไม่เสร็จเลยคือเข้าใจว่าแกต้องจะเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนสมาครฟิลิปินนะฮะพอคนอื่นจะแซงขึ้นมาก็เลยมีปัญหาเลยนับคะแนนไม่ออกนี่ก็เกิดมาจากอะไรฮะเกิดมาจากตันหาที่แรงนะฮะอุปทานก็แรงทิฏฐิก็แรงตามไปมันก็แรงไปเป็นแถวไปเลย พอพอพวกนี้จางพบกับประนีตเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าอาการที่พบประนีตขึ้นเพราะไอ้ความจางของสิ่งเหล่านี้ความจางของตันหาของอุปาทานอุปาตันหาจางลงอุปาทานก็จางลงพบเลยประนีตชั้นของจิตเราดูชั้นของจิตก็แล้วกันนะฮะดูชั้นของจิตว่าพบของจิตเวลานี้ที่เราเป็นอยู่เวลานี้ถ้าหากว่า ตันหาเราจัดอุปท า, านเราจัดนะโยไม่มีทางมานั่งอยู่ในห้องนี้แต่แสดงว่าพรุ่งนี้มันก็จางลงจึงสามารถมาได้อาจจะอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรืออาจจะไปอยู่ตามโรงหนังอะไรวันศสามันน่า จ, จะอยู่แถวนั้นนะแต่ทีนี้การมาอยู่แถวนี้แสดงให้เห็นถึงความจางนะภูมิของจิตมันก็สูงกว่าเพื่ออาจจะไปชวนให้วันนี้มีหนังดีนะวันนี้มีนิทัศการมีแฟชั่นโชว์อะไรต่ไรโยไม่ไปเพราะอะไรเพราะชั้นของจิตมันยกเหนือนั้นขึ้นมาเลยแล้วมันก็ ไม่ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ถึงแม้ว่ามันมีอยู่เราดูสภาพจิตของเราเองได้เลยนะฮะภูมิภพชั้นจิตเนี่ยดูจะเป็นช่วงแคบแคบสั้นๆในแต่ละวันของเราจะเห็นว่าเราสังเกตจิตของเราได้และในหลักการจิตาา ต, ตานุปัสนาสติปัฏฐานก็ดีธาาตตรามานุปัสนาสติปัฏฐานก็ดีนั้นก็เป็นการศึกษาดูจิตที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูในแต่ละขณะว่า จิตของเราแต่ละขณะเป็นยังไงมันถูกปรุงแต่งด้วยอะไรถ้าถูกปรุงแต่งด้วยอย่างนี้ภูมิของจิตมันจะต่ำหรือจะสูงนะฮะเมื่อภูมิจิตแก่ต่ำพฤติกรรมพอออกมาสะท้อนก็ต่ำแต่ว่าถ้าภูมิจิตสูงขึ้นจ ะ, ะยกระดับจิตของตนให้เหนืออารมณ์ต่างๆพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็มีลักษณะที่ประณีตการพบชาตในการข้างหน้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน พอพบแก่เกิดประณิจขึ้นมาตัวชาต์ตัวความเกิดสภาวะที่เกิดเกิดมันก็ประณีตตามไปแต่ว่าเมื่อมีพบก็ต้องมีชาตินะมีพบก็ต้องมีชาติเพราะงาั้นพบชาติพอชาติแล้วไม่ต้องห่วงมันก็เข้ากระบวนเดิมก็คือวิญ ญ, ญาณนำรูปอารตนะปัตสภ า, าวะนาเหมือนเดิมแต่ว่าในกระบวนนี้ท่านเรียกว่าชรามรณะเรียกรวมไปเลยเรียกรวมเป็นิ น, นที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันพรวะนี้จึงเป็นอนาคตผล แนวปัจจัยาการที่ทรงแสดงแนวนี้เป็นการแสดงเขาเรียกว่าครอมสมชาติครอมสามชาติเอาชาติปัจจุบันนี่เป็นหลักชาติปัจจุบันนี่มีผลผลชุดหนึ่งกับเหตุชุดหนึ่งผลคืออะไรก็คือบิญญัต น, นามรูปอ า, ภ า, ภ า, ภ า, ภาิย Tantra ภาษาเวทนานี่เรียกว่าผลซึ่งเกิดมาจากเหตุในอดีตทําให้เราได้ชีวิตขึ้นในปัจจุบันพรปัจจุบันเราสร้างเหตุขึ้นมาด้วยตัณหาและอุปาทานนี่เองก็ปัจจุบันจึงมีปัจจุบันเหตุ ไม่ใช่ปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุปัจจุบันเหตุก็คือกิเลสปัจจุบันผลก็คือชีวิตของเราเนี่ยฮะชีวิตของเราซึ่งก็มีมีกิเลสปนอยู่เหมือนกันนะฮะภายในใจเราเพราะว่ามีทั้งกรรมทั้งกิเลสเป็นตัวปรุงแต่งพอเสร็จแล้วเราสร้างเหตุขึ้นในปัจจุบันเราก็ได้รับผลในโอกาสต่ตอไปก็คล้ายๆกับเราปลูกผลไม้ในปัจจุบันเนี่ยผลมันก็เกิดในโอกาสต่ตอไปพบจึงกลายเป็นอนาคตผล คือผลที่จะมีในอนาคตคือชาติต่อไปเรียกว่าชาติหน้านะฮะเพราะงั้นอวิชากับสังขารจึงเป็นชาติก่อนเป็นเรื่องของชาติก่อนวิญญาณนามรูปอัจฉริยภาสะเวทนาเป็นเรื่องของชาติปัจจุบันตัณหาตัณหากับอุปาทานเป็นเรื่องของความคิดในแต่ละขณะของชาติปัจจุบัน พบชาติชรามรณะเป็นต้นก็จะเป็นเรื่องของชาติต่อไปคือถ้าเราดับตรงนี้จะได้นะฮะดับตัณหาดับอุปาทานตรงนี้ได้พบมันก็ดับพบก็ดับแต่ถ้ายังมีตัณหาอุปาทานอยู่ก็ต้องมีพมันอยู่ที่เงื่อนไขนะฮะอยู่ที่เงื่อนไขว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีที่ที่ทรงใช้คําอีกอย่างหนึ่งว่าอิทัพปัจจยตาอิทัพปัจจยตาคือว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้เพราะงั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดแต่ถ้าสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆนะเช่นกระบวนของชีวิตหรือกระบวนธรรมชาติอะไรก็ตามเห็นสมมติว่าถ้าฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกนะ้าในบึงบางในบึงในคลองในหนองอะไรตอะไรก็จะแห้งไปนะแต่ถ้าฝนตกน้ำใ น, นนี่นี่ก็มีมาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนี้ถ้าสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีตามไปซึ่งเป็นผลพวง สิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งก็ไม่มีและจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ทุกกฎของของธรรมชาติทั้งหลายปัจจัยาการจึงกลายเป็นกฎธรรมชาติที่ได้ครอบงำสิ่งทั้งหลายเอาไว้ทุกอย่างมันจะอยู่ในกฎของธรรมชาติเนี่ยจะใช้คําเรียกอยู่3คําที่เรียกอยู่มากเนี่ยคืออิทธิปัจจิตาเนี่ยเรียกน้อยหน่อยแล้วก็ปฏิจจสมุบาทเรียกมากนะปฏิจจสมุบาทนะฮะไม่ใช่ปฏิจจสมุปปบาท ไปจะสมุบัติแปลว่าธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นหรือว่าปัจจัยาการได้แก่อาการที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเป็นก็มันอย่างนี้เองก็ไม่รู้พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นะคล้ายๆกับถ้ามีเกิดนะถ้ามีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายมันตายแล้วก็ เ, เหตุปัจจยัยวิชาสังขารที่มีอยู่ก็ต้องมีเกิดมันก็อยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะจับอะไรขึ้นมาก็ตามนะ ถ้าามีรับประทานอาหารเมื่อมีรับประทานอาหารก็ต้องมีอิ من, ่มเมื่อไมีอิ่มก็ต้องมี ی ی แรงเมื่อ ی ی แรงถนหนึ่งก็ต้องขับทายไปขับทายมันก็หิวหิวมันก็กินมันก็หมุนอย่างเนี้เ <c oughs> ห็นอย่างนี้เหมือนก็ลักษณะวงลวงแม่มากลางป่ายังไม่ถึงวัดวาตาฤศีก็ยับยั้งตั้งข้อรอไว้ทียกคดีขึ้นว่าลักษณะวงหลวงแม่มากลางป่านัลิเกก็ว่าได้ทั้งวัดนะไม่จบก็มันหมุนอย่างนี้หมุนไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยแดังนั้นพวกเหล่านี้ท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไรวัตนะฮะไรวัตในสายเกิดเราเรียกว่าไตรวัตหรือวัตตะสามวัตตะสมท่านท่านทั้งหลายท่านได้ฟังธรรมะมามากแล้วท่านจะสังเกตได้นะว่าอะไรเป็นอะไรในกลุ่มนี้ไรวัตก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันก็มีเข้ามาในนี้มันก็หนุนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเมื่อมีกิเลสเราก็ทําทํากรรมทํากรรมก็ต้องรับผลกรรมรับผลกรรมมันก็เกิดกิเลสอีกเกิดกิเลสอีกก็ทํากรรมอีกทํากรรมอีกก็ รับผลกรรมอีกก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าท่านท่านเกิดความอยากในอาหารขึ้นมาทักอย่างหนึ่งแล้วก็ปรุงอาหารนั้นขึ้นมาเพราะงั้นเอ่อความอยากอาหารนั้นก็คือกิเลสปรุงอาหารนั้นขึ้นมาก็กรรมกรรมก็รับอาหารพอลิม้มอาหารอร่อยว่าหลังปรุงอีก วงอีกวงก็เกิดอยากขึ้นอีกอยากอีกก็ทำกรรมอีกก็มุนก็อยู่อย่างเงี้ยมุนก็อยู่อย่างเงี้ยแม้นในเรื่องเดียวเนี่ยเราเราลองดูแม้นในเรื่องเดียวมันจะเข้าใจวัดหมดเลยเข้าใจวัดซึ่งซึ่งเราขยายวงจรให้กว้างออกไปยังไงก็ได้เป็นพบเป็นชาติเป็นหลายพบหลายชาติก็ได้แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงลองสังเกตนะฮะว่าอาวิชชาคือกิเลสนะฮะตัณหาคือกิเลสอุปาทานคือกิเลส นี่คือกิเลสแล้วก็ส่วนกรรมคืออะไรก็คือกรรมก็คือสังขารกรรมนั้นคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปตอนนี้พูดถึงตัวผลมันนะฮะตอนนี้พูดถึงผลไม่ได้พูดถึงเหตุพูดถึงผลที่เป็นบุญเป็นบาปอยู่แล้วออสังขารก็มีสามคือปุญญาพิสังสาขารอภิสังขารคือบุญนะอปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปอนเนินชาพิสังขารอภิสังขารคืออเนญชา ได้แก่อรูปประชานเพราะรูปประชานนั้นก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะแต่รูปประชานนั้นมันมันไม่หวั่นไหวแล้วอันนี้ชาปแปล ว, ว่าสภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวเลยแล้วส่วนมากถ้ารูปประชานเขาไม่เสื่อมด้วยนะที่เสื่อมมันรูปประชานก็ยังไม่พบหลักฐานว่าท่านที่ได้บรรลุอรูปประชานแล้วเสื่อมแต่ถ้ารูปรนะรประชานไม่แน่รูปประชานเนี่ยมันเสื่อมง่ายคล้ายๆกับว่าเอาเอ า, เอาอะไรไปขอของไว้บางๆนะฮะโดนกระแทกแรงๆก็แตกได้ ใจิตใจของบุคคลที่ได้บรรลุรูปฌานก็มีลักษณะเช่นนั้นคือถ้าโดนอารมณ์จากภายนอกมากระแทกแรงๆท่านก็เป๋ไปเหมือนกันทีนี้ตกลงว่าชุดเดิมฮะยอมจะเห็นว่าชุดเดิมเลยอาวิชาตัญหาอุปาทานเป็นกิเลสสังขารกับภพบเป็นกรรมนะฮะภพนั้นแบ่งเป็นสองอย่างนะสังเป็นอุปัตติภพคือภพที่เราจะต้องเกิดกับสังขารภพ สิ่งที่ปรุงแต่งให้ไปเกิดในภพซึ่งก็หมายความว่า ก, ก า, ม า, มมากุศลก็เป็นเหตุให้เกิดในกามภพชั้นต่ำไม่ใช่อกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดในการมภพชั้นต่ำกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดในกรมภพที่สูงขึ้นไปจนถึงกับรูปประภพแล้วก็อเนินชาวิสังขารก็ปรุงแต่งให้ไปเกิดในอรู ป, ประภพที่มีความประณีตขึ้นตกลงว่าภพก็มีความหมายสองอย่างก็สรุปแล้วว่าว่าภพก็คือกรรม กรรมกับสถานที่ผู้ทากรรมจะต้องไปอุบัตินอกนั้นก็เป็นออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสใช่ฮะสังขารกับพบก็เป็นกรรมตกลงกิเลสกรรมพอกรรมมันก็วิบากวิบากก็คือผลที่เกิดขึ้นระหว่างกิเลสกับกรรมนะฮะการกระทาร่วมของกรรมกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากคือผลซึ่งจะดีร หรือไม่ดีก็ได้วิบากนั้นเราจะใช้กลางๆคือดีก็ได้ไม่ดีก็ได้หรือกลางๆ ก, ก็ได้วิบากก็คืออย่างยังไงในในสายปฏิจา at สมุปบาทเราจะพบว่ามีวิบากอยู่สองวิบากสองชุดมีวิบากอยู่สองชุ ด, ช, ดชุดแรกที่อาศัยอดีตเหตุกับชุดที่สองอาศัยปัจจุบันเหตุอันนี้โยมต้องไป ต, งต้องไปจับจับคือถ้าถ้าจาปฏิจจ a สมุปบาทได้นี่ไม่ค่อยแปลกหรอกฮะ ชุดแรกเป็นผลของอดีตเหตุก็คือนามรูปอายตนะผัสสะเวทนานะฮะนามวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเป็น5ก็คือชีวิตชีวิตที่เราได้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลมาจากอดีตเหตุเป็นผลมาจากอดีตเหตุพอเรามีตัณหาอุปาทานขึ้นซึ่งเป็นกิเลส ท, ที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะจากกิเลสเก่านะไม่ไม่จะเพิ่มใหม่ลว้ลวนๆก็เพิ่มมาจากกิเลสเกา่า ในปัจจุบันแต่เราอาจจะจางลงได้หรืออาจจะเพิ่มเข้มข้นขึ้นมาก็ได้ถ้าจางลงก็หมายความว่ากุศลก็เพิ่มขึ้นแต่ยังมีตัหายังมีอุปาทานอยู่กุศลมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไอเข้มข้นสูงขึ้นก็แสดงว่าบาปมากขึ้นก็ทำให้วิบากวิบากก็คือวิบากชุดต่อไปก็คือพบพบกชติชรามรณะมันก็เกิดเป็นวิบากสองชุดแต่วิบากอันนี้ต้องวิบากในชาติต่อไป ผลที่เราจะรับในชาติต่อไปก็ตกลงว่าพวกนี้เป็นกิเลสวัส์กรรมวัตวิปากวัตก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ก็กลายเป็นสายเกิดพระพุทธเจ้าได้ทรงแส ด, แดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าลูก่อภิกษุทั้งหลายเพราะเราและเธอทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรเป็นอันมากคืออนับกันไม่หวาดไม่ไหว ทรงใชด้ดยอุปมานะฮะบอกว่าน้ำตาที่เราร้องให้เพราะการพรากจากคนที่รักเนี่ยถ้าไม่แห้งไปในทังสารวัตรนี่มากกว่าน้ำในหมาสมุดซิอีกนะกระดูกที่เราตายแล้วสมมติว่ามันมั น, ม, นมันไม่ได้เปื่อยไปนะฮะ สมมติว่าไม่เปิดไปจะมากกว่าภูใหญ่กว่าภูเขาเวปุลละนะเวปุลละใหญ่มากท่านท่านที่เคยไปกรุงราชครึกอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะอยู่ด้านซ้ายมือภูเขาเวปุลละนี่ใหญ่มากเลยยาวเหยียดไปชนกับภูเขารัตนาคีรีแล้วติดกับภูเขาคิชฌกูฏพระพุทธเจ้าก็ชี้ที่ภูเขาเวปุลละให้ดูเนี่ยบอกมากกว่าไอ้ภูเขาลูกนี้ก็แสดงว่าตัวการสําขัญมันก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่อวิชชาอยู่ที่วิชชาคือไม่รู้ ไม่รู้กระบวนการของสังสารวัตรจึงไม่สามารถแก้ทางของสังสารวัตรได้เมื่อไม่สามารถแก้ทางของสังสารวัตรก็หมุนหมุนอยู่ด้วยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมบักช่วงสั้นนิดเดียวตั้งใจว่ากิเลสกรรมบากครบเลยกิเลสกรรมวิบากอยากอยากทำทำนะก็ได้รับผลเสร็จครบกระบวนการกิเลสกรรมวิบากเสร็จแล้วแต่แม้แต่ความคิดขณะเดียวนะฮะเราคิด สมมติว่าเราเราคิดจะทำกุศลคิดจะทำกุศลหรือคิดจะทำใจสงบแล้วก็ทำก็ได้รับผลคือความสงบจะสงบมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับกรรมที่เรากระทำะสิ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสายเกิดนะครสายที่ทำให้เกิดซึ่งทรงพิจารณาว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเปวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะ ยาธนาเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะเมื่อชรามรณะมีโสกับร um, ิเทวทุกขโทมานัตอ uh, ุปายาตมันก็เดินขบวนเหมือนเดิมอ่ะเหมือนที่เราสัมผัสกันอยู่ในในปัจจุบันทรงแสดงว่ากองทุกทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ร่ําไปไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดก็ตามตราบใดที่เงื่อนไข สองประยะส อ, อย่างคือกิเลส ก, กรรมยังมีอยู่จากนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็จะเลื่อนไหลไปไม่ขาดสายนะฮะไม่ขาดสายก็เหมือนกับแม่นม้ำเมือนกับสายลมแสงแดดน่ฮะจากจากใดที่เหตุปัจจัยก็ยังมีอยู่แกก็ไหลยอยู่นั้นเหมือนแม่นม้ำโขงแม่น้ําคงคาแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําอะไรนี่ฮะมันก็ไหลามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันเป็นกระบวนกของมันอะ แต่เหตุปัจจัยให้การไหล ย, ยังมีอยู่มันก็ไหลของมันอยู่อย่างนั้นนะฮะเราจะตายไปอีกกี่ร้อยชาติแม่น้ำเจ้าปยาก็คงเป็นอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายในโลกตลอดถึงชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในกระบวนการของปัจจัยการนี่ก็เป็นเรื่องของสายเกิดที่พระเจ้าทรงพิจารณาตั้งสามครั้งนะพิจารณาสามครั้งในยามสามแห่งราตีแล้วก็เปล่งพระอุทานในแต่ละยามของราตีสาหรับวันนี้ เวลา ก, ก็กหมดลงเพียงทั น, ทนี้ที่สุดนี้ก็ขออนโมทนาสาธุการให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วการทุกท่านเพลิน